ต่อไปสำหรับพระเคี้ยวทาถะคือเคี้ยวเนี่ยขาวแล้วก็งาม27นี้พระองค์มีพระชิวหาเนี่ยใหญ่แผ่นลิ้นของพระองค์นี่ใหญ่ปะหุตะชิวโห27บนะบทว่าปะหุตะชิวโหก็ ค, คือพระองค์เนี่ยมีพระกุมานี่มีพระชิวหาใหญ่คือลิ้นของคนเหลาเอื่เนี่ยบางคนเนี่ยลิ้นเนี่ยหนาบางคนเนี่ยลิ้นเนี่ยเล็กบางคนก็ลิ้นสั้นบางคนลิ้นกระด้าง ไม่มีความสม่ำเสมองดงามแต่ชิวหาของพระมหาบุตรเนี่ยอ่อนยาวใหญ่แล้วก็สีสวยเนี่ยนะพระกุมารนั้นเมื่อปลดเปลื้องความสงสัยของผู้ที่มาเพื่อสแสวงหาลักษณะเพ ร, ะราะอะไรเพราะชิวหาของพระองค์เนี่ยอ่อนพระองค์ก็สามารถแลบลิ้นแลบชิวหานั้นอะ่ะดูดของแข็งที่สะอาดแล้วก็รูปช่องพนาสิษฐ์ทั้งสองได้แลบลิ้นเหมือนกับทํำลิ้นให้เป็นเหมือนกับมว้วนแล้วก็เรียกว่า สอดเข้าไปในช่องจมูกได้แล้วก็ยาวถึงขนาดไหนเขาเรียกว่าแลบลิ้นไปถึงหูได้อ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนาเละเนะเต็มปากอะไรไม่ใช่พูดแล้วพูดอยากแท้นเนี่ยนะไม่ใช่แต่ลิ้นใหญ่แล้วก็บางเนี่ยนะเขาเรียกว่าแล้วก็ความใหญ่เนี่ยนะสามารถแผ่ขยายใหญ่สามารถเรียกว่าปิดหน้าผากได้อะอ่านะเขาเรียกว่าแลบลิ้นถึงโน่น่ะเส้นผมได้โนะ่นแหละ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 แต่ก็เสียงที่กังวาลมันพระองค์นั้นมีเสียงเหมือนเสียงพรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นเสียงที่ฟังแล้วไม่เบื่อมีหน้าพระนลยังชอบฟังมากเลยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าติดในเสียงอนะติดในเนื้อหาด้วยเสียงก็เพลาะเนีนะสำเนียงก็ไม่ใช่ว่าขัดขาดหายหาเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับสูงๆต่าๆฟังแล้วก็น่ารำคาญบอกไม่เสียงก็เพลาะเพราะเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8ดเหมือนเสียงพรมสำเนียงที่ตรัสก็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 แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีบุญเนี่ยนะไม่มีบุญเนี่ยทำให้เสียงพร้อมที่จะมีปัญหามีปัญหาของเสียงไี่สังเกตจากอะไรนะพูดอะไรแล้วไม่มีใครสนใจฟังเลยนะั่นแหละแปลว่าถ้าเสียงดีจริงใครก็ใครก็อยากฟังในชะ่ไแต่เสียงแมมพูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าน่ารำคาญ น, น่ารำคาญเงียบๆหน่อยได้ไหมอย่างนี้นะก็แสดงว่าบุญไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งเสียงอาจจะดีแต่ว่าเนื้อหามไม่ได้เรื่องเป็นต้นก็ต้ององค์ประกอบอะ น, นะ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 ก็เป็นคนรูปงามแล้วก็เสียงเพราะเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าโดยเอาเบญจากามมาคุณก็เป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวันแนละไม่มีกลิ่นตัวแล้วก็อะไรนะสัมผัสก็นิ่มเหมือนอะไรเหมือนสัมลีใช่คนประเภทนี้แสดงว่าทำบุญมามากนี่ดวงตาละ่ะยี่สิบเก้าพระองค์มีพระเนตรดำสนิทตาของพระองค์นั้นดำสนิท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 ก็ดูพระมหาปริศลักษณะทำให้เจตเนี่ยของเขาโคจรไปในพุทธคุณเนี่ยได้มากานะเห็นพระรูปฟังเสียงเนี่ยนะติดตามพระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศท่านเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้อะไรนะศรัทธาก็ยิ่งเจริญขึ้นสัตทินรีก็มีกำลังมั่นคงในพระรรตไตรายวิริยิีเนี่ยนะเห็นประโยชน์ของพระธรรมที่พระองค์สอนเขาก็ภาคเพียรในการเจริญกุศลและ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 เกื้อกูลต่อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสิ่งใดที่จะเกื้อกูลต่อคุณงามความดีบุญกุศลพระองค์ก็สั่งสมบุญเพื่อให้บริบูรณ์ด้วยสิ่งเหรนนั้นพระองค์ก็ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี้สําหรับพระอุณาโลมเนี่ยนะตรงที่หน้าผากก็คือมีอะไรมีพระอุณาโลมบังเกิดน่าระวางแห่งพระขนงขนงก็คือคิ้วกันนะตรงต ร, งต ร, งตรงช่วงหน้าผากข้างบนนั่นแหละมีสีขาวอ่อน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 ประกายพลค์แล้วก็อ่อนเช่นกับใยฝ้ายที่ชีเอาไว้เป็นอย่างดีเป็นร้อยครั้งเนี่ยอ่อนนุ่มนะก็เหมือนสำลีแล้วกันค่สีขาวเหมือนอะไรเหมือนแผ่นกระดานเออเหมือนสีเงิน่ะนะเหมือนดาวประกายพลคแล้วก็ประทับอยู่ที่หน้าผกที่เป็นสีทองอ่ะนะสหรับ อ, อันสุดท้ายก็คือมีพระเสียนดุจประดับด้วยกรอบพระพัก เสียงที่กรอบเนี่ยนะก็คือตั้งเหมือนกับกรอบหน้าที่งดงามเอ่อเรียกว่าสมส่วนมากเลยนะส่วนหน้าผากควรจะแค่ไหนส่วนตรงข้างหูซ้ายข้างหูขวาตรงช่องเนี่ยนะก็เรียกว่าหน้าตาเนี่ยสมส่วนเหมาะสมงดงามอธิบายเรียกว่าพระอะไรนะกรอบพระพักเนี่ยนะบอกว่า ความที่พนาราชคือหนาผากบริบูรณ์ความที่พระเศียนคือศีรษะบริบูรณ์เพราะว่าพื้นที่พระมังสะคือเนื้อของพระหมหาบุรุษนูนตั้งแต่หมวกคือหมวกหูเนี่ยนะหมวกพระกันทั้งข้างขวาเนี่ยปกพนาราชทั้งสิ้นเนี่ยบริบูรณ์กระวังงามไปจนถึงโน่นน่ยพระกันซ้ายเนี่ยนะก็เรียกว่าดูตั้งแต่หูขวาไปทางหูซ้ายเนี่ยของงาม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 ของพระองค์นี่งดงามเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยสีสระเหมือนศีรษะลิงก็คือดูแลออกขึ้นแหลมๆใช่ไหมบางคนก็เหมือนกับผลไม้บางคนก็เหมือนกับหัวช้างบุ๋มลงไปบางคนก็เหมือนอะไรเหมือนเหมือนหม้อบ้างบางคนก็เหมือนเงือ่อนภูเขาบ้างะนะโผล่หน้าโผล่หลังยุบหน้ายุบหลังเป็นต้นะ่ะแต่พระมหาบุรุษมีพระเสียนเช่นกับฟองน้ําบริบูรณ์ดีหมายว่าเหมือนกับ งดงามนะลักษณะโค้งเหมือนกับตอมน้ําที่ฟองขึ้นเนะี่ยเช่นกับฟองน้ําบริบูรณ์ดุดม้วนด้วยปลายเข็มตั้งเอาไว้ในสองนายนั้นระยะแรกพระกุมารมีพระเสียรดุดพระเสียรประดับด้วยกรอบพระพักเพราะฉะนั้นพระกุมารนี่มีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักในที่สองพระกุมารนี่มีพระเสียรเป็นปริมทนทลในที่ทั้งปวงดุดอุณหิทธ์นั้นก็แปลว่าเหมือนกับปริมทนทลดุดอุณหิทก็คือดูงามมากนะดูกรอบหน้างาม